พุทธธรรมจะบับหับขยายบทที่สิบบทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพานลักษณะพิเศษปัญหาและจุดที่มักเข้าใจผิดคุณค่าและลักษณะพิเศษที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพานหนึ่งจุดหมายสูงสุดของชีวิตเป็นสิ่งที่อาจบรรลุได้ในชาตินี้นิพพาน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 ทิฏฐธรรมมิกาได้คุณลักษณะอย่างหนึ่งของนิพพานว่าเป็นสันทิทิ่กังเห็นชัดได้เองประจักษ์ได้ในชีวิตนี้และอาการลิกังไม่จำกัดการไม่ขึ้นต่อเวลาและท่านได้แสดงข้อปฏิบัติต่างๆไว้เพื่อให้บรรลุนิพพานได้ในทิฏฐธรรมคือในชาตินี้ในปัจจุบันท่านเห็นทันตา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 ที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกโดยชอบต้องการอันเป็นจุดหมายของพระมจันทร์เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียวโดยใช้เวลาเจดปี6ปีห้าปีลักจนถึงหนึ่งเดือนกึ่งเดือนเจ ด, เดวันสำหรับเรื่องนี้ดูพุทธพจน์ในตอนว่าด้วยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติประกอบด้วย เราล่วนกล่าวถึงการประจักษ์ในทิฏฐธรรมนอกจากนั้นพุทธพจน์เกี่ยวกับสติปัฏฐานก็แสดงความไว้คล้ายกัน